ทีครังปัสสามีติดประชานาติซึ่งแปลว่าเมื่อหายใจเข้ายาวและหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวและหายใจออกยาวหมายถึงว่าขณะที่เรากําลังใช้สติกําหนดลมหายใจอยู่นี้ลมหายใจที่เรากําหนดนั้นยาวหรือสั้นเราจะต้องรู้ ตัลมหายใจคนนี้ก็ไม่แน่บางคนก็หายใจยาวบางคนก็หายใจสั้นแล้วก<อ>็การหายใจยาวหายใจสั้นนี้ก็เกี่ยวเรื่องกันกับบุคลิกของแต่ละบุคคลหรือเกี่ยวกับร่างกายของแต่ละบุคคลเหมือนกัน<อ>เช่นคนสูงกับคนเตี้ยเนี่ยลมหายใจที่เข้าออกนั้นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้ว่าเราเป็นคนหายใจสั้นหรือหายใจยาว ถ้าเราเป็นคนหายใจสั้นเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นถ้าลมหายใจยาวก็ต้องรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามรัสสังวาอสสันโตรัสสังอสสามีติปะชานาติรัสสังวาปสันโตรัสสังปสสามีติปะชานาติแปลว่าเมื่อหายใจเข้าสั้นและหายใจออกสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นและหายใจออกสั้นดีหมายถึงคนที่หายใจสั้นประการที่ 4, สี่สัพพกายะปฏิสังเวทีอสัตติสามีติตสิกขิตสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสติสามีติสิกขิแปลว่าย่อมสำเนียกว่าเราจะทำลมเข้าและลมออกที่หยาบให้ละเอียด ต้องสําเนียกว่าเราจะหายใจเข้าและหายใจออกก็ต้องรู้แจ้งชัดในลมหายใจเช่นรู้แจ้งชัดว่าอันไหนเป็นต้นลมอันไหนเป็นกลางลมอันไหนเป็นปลายลมถ้าหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ว่าต้นลมอยู่ที่จมูกกลางลมอยู่ที่ตรงไหนกลางลมอยู่ที่สวงอก แล้วก็ปลายลมอยู่ที่ตรงไหนปลายลมก็อยู่ตรงที่ท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วตรงนั้นเป็นที่ปลายลมถ้าหายใจออกต้นลมเกิดขึ้นที่ตรงไหนต้นลมก็เกิดขึ้นตรงที่ฐานเหนือจากสะดือเราขึ้นมาสองนิ้วและกลางลมก็อยู่ที่สวงอกปลายลมก็อยู่ที่ปลายจมูกอย่างนี้เราต้องรู้ว่าที่ไหนเป็นเบื้องต้นของลมท่ามกลางของลมและต่อที่สุดของลมต้องรู้ทางของลมด้วยประการที่ห้า ปัดสัมพยังกายสังขารางังอาสัตติสามีติสิกติปัดสัมพยังกายสังขารางังปัดสัตติสามีติสิกติอ่าซึ่งแปลว่าย่อมสมเนียกย่อมสมเนียกว่าเราจะทำลมเข้าและลมออกที่อยให้ละเอียดแล้วจึงหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยเป็นเป็นวิธีเจริญอานาปานสติที่ ในพระบาลีนี้ท่านได้วางแนวทางไว้หแนวทางด้วยกันสำหรับแนวทางที่หนึ่งนั้นได้ทรงวางหลักการปฏิบัติหรือการเจริญอาณาปานุสติกรรมฐานไว้สำหรับที่สองถึงที่ห้านี้เป็นการเพิ่มข้อปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อที่จะอบรมจิตเนี่ยให้สูงขึ้นในด้านของสมาธิจนกระทั่งถึงที่สุดของการปฏิบัติในด้านของสมถกรรมฐานอันนี้เป็น เป็นวิธีการที่เราจะทำสมาธิเนี่ยให้เกิดขึ้นทีนี้ปัญหาจึงมีว่าในวิธีปฏิบัติหรือแนวทางทั้งห้าทางที่พระพุทธองค์ได้จัดวางไวน้นี้เมื่อเรากำหนดไปแล้วเช่นอย่างในขณะแรกเนี่ยเราควรจะกำหนดอะไรก่อนเช่นลมหายใจออกหายใจเข้านี่เราจะบริกรรมอย่างไร การเจริญอาณาปานสติกรรมฐานนี้ท่านมีวิธีที่จะกําหนดลมเนี้อยู่หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีแรกที่สุดนี้ท่านเรียกว่าคณะนาใ น, านาคำว่าคณะนาใ น, านาในที่เนี้หมายถึงในยะแห่งการนับคือเจริญกําหนดลมด้วยวิธีการนับทีนี้เราจะนับอย่างไรในคณนาใ น, านาในที่เนี้ท่าน ถ้าได้วางหลักวิธีการนับเอาไว้ว่าเราจะนับอย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวิธีทํานั้นนะ่ะท่านท่านมีวิธีนับกันอย่างไรบ้างในยะที่สองนี้เรียกว่าอนุพันธนานาแปลว่าการกําหนดรู้ตามลมการกําหนดรู้ตามลมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าหลังจากที่เราได้เจริญคณนาด น, านามาจนกระทั่งเป็นวสีดีแล้ว จิตนั้นมีความชานิชนานาญในการปฏิบัติดีแล้วก็จะถึงข่านอนุพันธนานายัยอนุพันธนานัยเนี่ยคือการกาหนดรู้ลมโดยที่ไม่ต้องนับพ้นจากการนับแล้วเป็นเพียงว่าให้มีสติกาหนดรู้ว่าอันนี้ลมหายใจเข้าอันนี้เป็นลมหายใจออกเราจะต้องมีสติกาหนดรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าอนุพันธนานายัยประการที่ 3, สามพุทธนานายัยพุทธนานัยนี้ เราใช้วิธีกำหนดตรงฐานที่ลมกระทบเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องตามลมเพียงแต่กำหนดว่าลมเนี่ยได้กระทบตรงไหนบ้างเวลาหายใจเข้ากระทบที่ตรงไหนเวลาหายใจออกกระทบที่ตรงไหนในส่วนทางลมที่เข้าเข้าออกออกเพราะว่าลมเข้าลมออกที่เราหายใจอยู่ก็เข้าทางจมูกออกทางจมูกแล้วเราก็ต้องกำหนดตรงที่จมูกว่าลมเนี่ยกระทบตรงไหนบ้าง แล้วก็ถ้าจะพูดถึงฐานแห่งลมกระทบที่เป็นผุดสนายเนี่ผุดสนานายนี้แต่ละคนนั้นก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าจมูกคนนั้นก็มีจมูกแปบจมูกโด่งจมูกเล็กจมูกใหญ่คนจมูกโด่งจมูกใหญ่ก็ลมจะกระทบที่กระพุ้งจมูกส่วนคนจมูกเตี้ยก็จะกระทบริมที่ปากก่อนถึงจะไปถึงจมูกเราก็ต้องรู้ว่าฐานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน บางคนมีฐานลมกระทบอยู่ที่จมูกแต่บางคนมีฐานลมกระทบอยู่ที่ริมที่ปากเบื้องบนเราก็ต้องรู้ว่าฐานที่ลมกระทบนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็กําหนดตรงฐานที่ลมกระทบอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าผุทธนาในาขั้นที่สี่เรียกว่าถปนาในาถปนาในานี้คือการกําหนดรู้ลมเข้าออกโดยอนุพันธนาในกับผุทนาในาเนี่ยมารวมกัน คือเป็นการปฏิบัติเมื่อตอนเรากำหนดลมจนกระทั่งได้ปฏิภาคนิมิตแล้วจิตเป็นสมาธิดีแล้วแล้วเราก็กำหนดนิมิตของอารมณ์กรรมาฐานนั้นเป็นที่ตั้งอย่างนี้เรียกว่าขะปาน า, นานนในเาะนั้นนัยยะทั้งสี่ในเนี่ยเมื่อสรุปลงโดยย่อแล้วก็เหลือสองในคือทัญญะมาคษะตาะขณะนาใ น, านายอย่างหนึ่งกับโคปาระกะขณะนาใ น, านายอย่างหนึ่งคำว่าทัญญะ มามากระขนานายเนี่ยแปลว่าการนับเหมือนกับคนที่เข้าตวงเข้าเปลือกแล้วก็เข้านับเข้าเปลือกแต่ละถังแต่ละกระบุงว่าเนี่ยกี่ถังแล้วนี่กี่กระบุงแล้วเป็นการนับแบบช้าๆถ้าถึงขั้นโคปาละกะขนาดนายแล้วแล้วก็ให้กําหนดลมหายใจเหมือนกับคนเลี้ยงโคนับโคที่เข้าคอกออกคอกว่าโคที่เข้าจากคอกเข้ามาในคอกนี่มีกี่ตัวออกจากคอกไปกี่ตัวซึ่งคนเลี้ยงโคนี่จะต้องนับอย่างรวดเร็วถึงจะทัน เพราะว่าโคมันเบียดเสียดกันแย่งกันออกแย่งกันเข้าก็คือผู้ที่กําหนดอารมณ์กรรมฐานจนกระทั่งจิตเนี่ยละเอียดลงแล้วแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันละเอียดลงละเอียดลงก็เร็วขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะเร็วอย่างไรเราก็กําหนดทันต่ออารมณ์ปัจจุบันอย่างนี้เสมอเรียกว่าโคปาละกะาคณานาในซึ่งเป็นนัยยะที่สองเนี่ยทั้งสี่ในนี้เป็นเป็นการเจริญอาณาปาณสติในขั้นของสมถกรรมฐาน ยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่าอานาปาสติเนี่ยมีทั้งสมถะแล้วก็มีทั้งวิปัสสนาแต่ว่าวิปัสสนานั้นอยู่เบื้องปลายเราต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญสมถะก่อนเมื่อเจริญสมถะนี่จนกระทั่งจิตเนี่ยมีสมาธิสูงดีแล้วจึงจะขึ้นสู่การปฏิบัติในขั้นวิปัสสนาอีกทีหนึง่งในขั้นวิปัสสนานั้นมีอยู่สี่ขั้นขั้นแรกเนี่ยท่านเรียกว่า สันลักคนาสันลักคนานี้ก็คือการเจริญอาณาปานสติโดยการกำหนดพิจารณานามรูปทั้งสองอย่างนี่เป็นอารมณ์พิจารณาเป็นนามรูปทั้งสองอย่างนี่เรียกว่าสันลักคนาเพราถึงขั้นที่สองเรียกวิ ว, วัตนาขั้นนี้เป็นขั้นประหารกิเลสแล้ว เป็นการทำลายกิเลสจากผุ้ทุชนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลอย่างเนี้เรียกว่าวิวัตนาพอถึงขั้นที่สามก็เป็นขั้นปริสุทธิปริสุทธิเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นของผลลกิจซึ่งเกิดขึ้นในผลระบุคคลที่เป็นพระอริยบุคคลแล้วถึงประการที่สี่ก็คือปฏิปัสนาซึ่งในขั้นเนี้เป็นเอ่อเป็นขั้นถึงปัจจเวคขณะยานเป็นถึงขั้นปัจจเวคขณะยานคือ การพิจารณาถึงมรรคผลนิพพานและกิเลสที่ตนเองได้ละมาได้แล้วทบทวนอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าปัจจเวคขณะยานญญเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในอนาปานสติกสติกรรมฐานเนี่ยจึงมีทั้งสมถะและก็มีทั้งวิปัสสนาถ้าถามว่าการเจริญอานาปานสติเนี่ยเป็นการเจริญวิปัสสนาหรือเป็นการเจริญสมถะเราก็ตอบได้ว่า ขั้นต้นนั้นเราจเจริญสมถะแต่ว่าขั้นสุดท้ายนั้นเราจเจริญวิปัสนาเพราะการรมฐานข้อ น, นี้มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาทั้งสองอย่างออทีนี้ในขั้นขนานานไนนี้คือการนับเนี่ยเราจะนับกันอย่างไรวิธีการนับนี้คือเมื่อเราได้ไปสู่สถานที่ที่เงียบสงดจะเป็นที่ใดที่หนึ่งก็าตามขอให้เป็นสถานที่ที่เงียบสงด แล้วก็ไม่มีคนรบกวนซึ่งงานเบื้องต้นของบุคคลผู้ที่จะเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยได้เคยอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่จะได้เริ่มบรรยายเกี่ยวกับเรื่องในสมาธินิเทศนี้คือนักปฏิบัติทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันก็คือการขจัดปริโภทศหรือความกังวลใจต่างๆว่าเรามีความกังวลใจอะไรบ้างต้องขจัดความกังวลใจเช่นนั้นนะให้หมดไป งานอะไรที่ไม่สําเร็จยังไม่แล้วเสร็จยังข้างค้างอยู่อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดปริพเทศกังวลขึ้นในภายหลังเราก็ต้องทํางานอันนั้นนะให้สําเร็จเรียบร้อยจัดงานการทุกอย่างเนี่ยให้เรียบร้อยทั้งหมดจนกระทั่งเรานี้ไม่มีความกังวลอะไรแล้วมีอิสระเป็นไทแก่ตนเองอย่างเต็มที่แล้วเราจึงจะเข้าสู่การปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจึงจะเกิดผล เพราะผู้ที่ปฏิบัติล้มเหลวแล้วก็ไม่เกิดผลเนี่ยเนื่องมาจากเพราะว่ายังไม่พร้อมเตรียมตัวไม่พร้อมการทำอะไรถ้าไม่พร้อมแล้วล้วก็จะทำได้สาเร็จลำบากแม้แต่การปฏิบัติธรรมถ้าเรายังไม่พร้อมแล้วเราไปปฏิบัติก็ไม่สาเร็จอย่างมากก็ได้ครึ่งๆกลางๆแล้วก็การไม่สาเร็จนี้เราก็จะ่าไปโทษว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกกับอารมณ์ สำนักนี้ไม่ดีสำนักโน้นไม่ดีก็ไม่ได้เพราะสำนักนั้นดีทุกสำนักแต่ว่าเราจะพร้อมแล้วหรืออย่างเท่านั้นเองถ้าเราพร้อมแล้วการปฏิบัตินั้นก็จะเกิดประโยชน์การพร้อมแล้วก็คือเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างต้องพร้อมหมดแล้วเราก็ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่คือเมื่อชาระความสมลใจที่มีอยู่เนี่ยให้หมดไปแล้วเราก็ เริ่มปฏิบัติได้ด้วยการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดารงติไว้เฉพาะหน้าและทำความรู้สึกตัวว่าเราหายใจเข้าหายใจออกให้ทำความรู้สึกตัวอย่างนี้ในยามปกติธรรมดาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าเนี่ยกาหนดก่อนได้ชัดเจนกว่ามเมื่อตอนเกิดขึ้นครั้งแรกจากสันของมารดา เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านกานุโรมให้ว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าก่อนก็ได้โดยเอาความสะดวกในปัจจุบันนี้ <c oughs> เช่นเมื่อเราได้ไปสู่สถานที่ที่เงียบสงัดแล้วเราจะปฏิบัติกรรมาฐานข้อนี้เราก็เอาสติไว้เฉพาะหน้าแล้วเราก็กำหนดพอลมหายใจเข้าเราก็นับหนึ่งลมหายใจออกนับสองเข้านับสาม ออกนับสี่เข้านับห้าออกนับหกเราใช้วิธีกําหนดอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราจเจริญในขั้นคณะนาในนี้ท่านก็มีเป็นขั้นขั้ว่าการนับเนี่ยเราจะนับจากหนึ่งถึงไหนก่อนท่านให้นับหนึ่งถึงห้าก่อนพอนหนึ่งถึงห้าคล่องดีแล้วจึงเพิ่มเป็นหนึ่งถึงหกพอหนึ่งถึงหกคล่องดีแล้วก็เพิ่มหนึ่งถึงเจ็ด พอหนึ่งถึงเดครองดีก็เพิ่มเป็นหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าแล้วก็หนึ่งถึงสิบพอถึงสิบข้อแล้วก็เป็นอันวาจิตเนี่ยเป็นสมาธิดีแล้วก็คือวิธีการเพิ่มนั้นก็จะเพิ่มไม่ยากคือเมื่อเรากําหนดหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองเข้านับสามออกนับสี่เข้านับห้าออกนับหเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ย้อนไปหนึ่งใหม่เข้านับหนึ่งออกนับสองเข้านับสองออกนับสามเข้านับสามออกนับสี่ เข้านับสี่ออกนับห้าเข้านับห้าออกนับหกแล้วก็เพิ่มขึ้นไปหนึ่งหมายจนกระทั่ทงคร่อมดีแล้วแล้วเราจึงจะไปกำหนดลมหายใจยเข้าถึงข้อหกพอหกคร่องดีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสิบจิตก็จะอยู่กับลมที่เรานับอยู่การนับเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างการนับนั้นจะเป็นประโยชน์ในด้านของการบริกรรมกรรมฐานทุกอย่างเนี่ยต้องมีบริกรรม เพราการบริกรรมเนี่ยคือเครื่องจูงใจที่จะผูกจิตเนี่ยไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานได้มั่นคงถ้าไม่มีการนับอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วจิตนี้จะไม่เป็นสมาธิแล้วก็ผู้ที่นั่งเนี่ยจะเป็มไปด้จินตายานเป็มไปด้วความนึกคิดการคาดคะเนการด้นเดาว่าเนี่ยเป็นไอ้นั่นนั่นเป็นไอ้นี่พอสุดท้ายไป น, นั่งคิดเมื่อไปนั่งคิดแล้วก็ไม่ได้ปัญญาที่ถูกต้องมา ปัญญานั้นก็ไม่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์เพราะปัญญาที่บริสุทธิ์นั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิไม่ใช่เกิดจากการนึกคิดหรือปัญญาที่เกิดจากการอบรมจากอารมณ์ที่เรากําหนดเนี่ยโดยแจ่มแจ้งแล้วแล้วเราก็เกิดความรู้สึกในสิ่งนั้นขึ้นมาโดยแจ่มแจ้งปัญญาเช่นนี้เรียกว่าปัญญาที่บริสุทธิ์ถ้าเราไปนั่งนึกนั่งคิดแล้วก็จะเต็มไปด้วยความนึกคิดเราจะไม่ได้ปัญญาที่แท้จริงมา เพราะฉะนั้นระหว่างที่เรากำหนดอารมณ์เนี่ยต้องนับก่อนมีบางท่านก็ไม่ใช้วิธีนับคือใช้วิธีเจริญพระพุทธคุณแต่การเจริญพระพุทธคุณเนี่ยก็ไม่มีวันจบอีกเพราะว่าเราไม่มีกำหนดว่าเราจะกำหนดอีกครั้งบางทีเข้ากำหนดพุทธออกโทเข้าพุทธออกโทอะไรเนี่ยกำหนดพุทธโทพุทธโทเป็นอารมณ์นี่แหละแต่ว่าเอาลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องกาหนด อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะเป็นการเจริญแบบอนาปานสติผสมกับพุทธานุสติร้อมกันนั่นเลากำหนดพุทธานุสติด้วยคือกำหนดพระพุทธคุณข้อ น, นี้คือพุทโธนี้เป็นอารมณ์ด้วยแล้วก็เชดมหายใจประกอบกันอย่างนี้ก็ได้ถ้าหากว่าถูกกับจริตแต่เราก็ไม่มีกำหนดไม่มีขีดขั้นว่าเราได้ถึงขั้นไหนแล้วและเราควรจะขยับการปฏิบัตินี้ให้สูงขึ้นไปได้อย่างไร เพราะว่าพระพุทธคุณเนี่ยกว้างขวางมากเราจะกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ไม่ได้วิธีการปฏิบัติอย่างนี้ส่วนมากแล้วก็เป็นวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้ศรัทธาต่อพระพุทธไัรเนี่ยอย่างแรงกล้าก็ใช้วิธีปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าสำหรับหลักวิชาที่ถูกต้องในด้านของการปฏิบัติเนี่ยท่านจะต้องให้เรากาหนดด้วยการนับ ใช้นับหนึ่งถึงห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบไปตามลำดำับอย่างนี้เรียกว่าขั้นขนาดาในทีนี้เมื่อเรากำหนดจนกระทั่งชมน้ชำนามดีแล้วจนกระทั่งลมเนี่ยละเอียดเมื่อลมละเอียดมากแล้วนี่ท่านบอกว่าไม่ต้องกำหนดแล้วพอถึงขั้นนี้เราก็ไปกำหนดขั้นผุดสนยัยคือถ้าลมถ้าลมละเอียดละเอียดจนกระทั่งเราเนี่ย แม้แต่จะกาหนดตามลมแล้วก็ยังยังตามได้ทันจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิดีก็เอาเฉพาะแค่ผุทสนัยพุทสนานยคือกำหนดที่ลมกระทบพอหายใจเข้าก็กาหนดกระทบหายใจออกก็กระทบคาว่ากระทบกระทบเนี่ยต้องลมกระทบก่อนถึงจะกำหนดถ้าลมยังไม่กระทบเราไปกาหนดกระทบก่อนก็เป็นการกำหนดไม่ถูก ไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันการปฏิบัติก็ไม่เกิดผลต้องลมกระทบแล้วก็รู้ว่าลมกระทบแล้วหายใจออกก็กระทบหายใจเข้าก็กระทบแต่ว่าเป็นการกระทบที่แผ่วเบาที่สุดกระทบที่ปลายจมูกเราเนี่ยที่แผ่วเบาที่สุดแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยกระทบกระทบเอาจิตอยู่กับการกระทบของลมถ้าทำได้ถึงขั้นนี้ก็สมาธิก็จะดีขึ้นตามลำดำับแล้วเราก็จะได้ก้าวไปถึงขั้นถปนาใน แต่ว่าขั้นเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันอยู่หลายด้านเพราะวากว่าจะถึงขั้นฐัาปนาในนี้เราจะต้องประสบกับปัญหาทางด้านการปฏิบัติเนี่ยอยู่หลายอย่างแล้วก็ปัญหาเช่นเนี้ยก็ถ้าแก้ไขไม่ถูกแล้วการปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าแก้ไขถูกแล้วการปฏิบัติก็ได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสาวุชนทั้งหลายสนใจเกี่ยวกับ วิธีการอย่างนี้ก็ขอให้เราเริ่มต้นในขั้นขนานานายก่อนพยายามฝึกฝนการปฏิบัติในขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญดีก่อนและขั้นต่อไปเราก็จะได้ปฏิบัติให้สูงขึ้นตามลําดับฉะนั้นวิธีการอันนี้ลองกําหนดดูสักเจ็วันในเจ็ดวันนี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้สนใจแล้วก็ปฏิบัติได้ดีแล้วก็ ในขั้นคนานายเนียเจ็ดวันทำได้สาเร็จแต่ต้องทำทุกวันแต่นี่ปัญหามีอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าการจะเดินอนาปานสติกรมฐ า, านเนี่ยถ้าเรานั่งไม่ได้เราจะนอนทำได้ไหมการนอนปฏิบัติเนี่ยหรือการจะใช้ริยาบทใดริยาบทหนึ่งเป็นหลักปฏิบัตินี่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ห้าม ว่าจะต้องอยู่อริยาบทนั้นอริยาบทนี้แม้แต่เดินก็ปฏิบัติได้ยืนก็ปฏิบัติได้นั่งก็ปฏิบัติได้แม้แต่นอนก็ปฏิบัติได้แต่ว่าผลจากการปฏิบัติจริงๆเนี่ยยืนเดินนั่งได้ผลดีกว่านอนเพราะว่าการนอนนั้นมันใกล้กับการหลับเหลือเกินเผลอแผลบเดียวหลับไปเมื่อไรก็ไม่รู้ นั้นผลจากการปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งในริยาบททั้งสามเนี่ยได้ผลดีกว่านอนแต่ถึงกระนั้นเพื่อไม่เสียประโยชน์เนี่ยเราจะอยู่ในริยาบทไหนเราก็ควรจะปฏิบัติในริยาบทนั้นๆเช่นแม้แต่เราจะนอนเราก็ปฏิบัติได้พอถึงเวลานอนเราเอ็นหลังลงแล้วก่อนที่เราจะหลับแทนที่เราจะไปนึกกังวลถึงเรื่องราวต่างๆหรือจะไปเก็บเอาความกังวลใจอะไรอันหนึ่งมาคิดบนที่นอน เราก็กำหนดลมหายใจ เ, ยเมื่อกำหนดลมหายใจเป็นปกติดีแล้วเราก็จะหลับอย่างเป็นสุขหลับอย่างผู้ที่มีสติเมื่อหลับอย่างมีสติย่อมไม่ฝันร้ายและเป็นการพักผ่อนของร่างกายเนี่ยได้เต็มที่พอตื่นขึ้นมาร่างกายก็สดชื่นกระปรี้กระเปร่าแต่ถ้าหากว่าเรานอนหลับโดยไม่มีสติ เราก็หลับอย่างเป็นทุกข์เราจะเห็นว่าคนหลับเป็นทุกข์เนี่ยเวลาหลับแล้วนี่เต็มด้วยความกระวนกระวายดิน้นแล้วก็ฝันร้ายพอตื่นขึ้นมาร่างกายก็โผลเผอ่อนเพลียเหมือนกับคนไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นแม้อริยาบทที่เราจะนอนก็ขอให้เราปฏิบัติให้กำหนดอารมณ์เนี่ยอยู่เสมอแล้วก็จะได้ประโยชน์มาก อันนี้เป็นขั้นขนานายซึ่งจะเป็นขั้นต้นสำหรับท่านทั้งหลายที่สนใจจะทดลองปฏิบัติ ด, ดูก็ได้ซึ่งวิธีการอันนี้ท่านได้แสดงไว้ในคำผีพระวิสุทธิมัสในสมาธินิเทศเออไม่ใช่เป็นของสานักใดาสานักหนึ่งเป็นวิธีปฏิบัติอานาปานสติที่ถูกต้องออตามนัยยะของอัตกถาและก็ในบาลีของพระตรัยปิฎกถ้าเราจะทดลองกาหนดอย่างนี้ดูก็ได้ แล้วก็เกิดผลอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังหรือถามท่านผู้รู้ว่าเมื่อกำหนดไปแล้วเกิดอารมณ์เช่นนี้ขึ้นเนี่ยเราจะปฏิบัติกันอย่างไรต่อไปอการบรรยายในวันนี้จะมาขอแนะไว้เพียงแค่นี้แล้วก็ในขั้นต่อไปนั้นจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในวันอาทิตย์หน้าซึ่งก็ท่านทั้งหลายจะเข้าใจในในรักปฏิบัตินั้นเนี้ยตามแนววิสุทธิมรรคเนี่ยกว้างขวางออกไปอีกวันนี้จึงขอยุติลงไว้แต่เพียงนี้ ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระวิสุทธิมัสในวันนี้จะได้อธิบายในหมวดของอนุสติต่อจากเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญอาณาปานสติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ มาตอนหนึ่งถึงตอนที่เราได้เจริญในขั้นคณาาและก็ในขั้นถึงพุทธนาคือการกำหนดถึงลมกระทบหลักการเจริญอนาปานสตินี้ เ, เป็นหลักที่เราจะต้องอาศัยการปฏิบัติไปตามลำดับขั้น คือจะปฏิบัติข้ามขั้นไม่ได้ปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายที่สนใจในเรื่องของการค้นคว้า้วยการอ่านก็ดีหรือการฟังก็ดีเราจะมาคบทฤษฎีใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทฤษฎีดังกล่าวนั้นก็คือการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายของภรษาศาสนาเนี่ยเร็วขึ้นคือมีทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงพระนิพพานเร็วขึ้นเป็นทางลัดซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปได้เช่นนั้นจริงๆก็นับว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานหรือมุ่งต่อการที่จะดับทุกข์ในวัตฏสงสาร น, นี้ แต่เราจะต้องอได้ศึกษาถึงวิธีการในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ถูกต้องเสียก่อนว่าการปฏิบัติธรรมในทางรัตนั้นมีหรือไม่เพราะปัจจุบันนี้ในทางอื่นเราก็พอที่จะรับกันได้เช่นผลที่เป็นโลภะในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมีทางรัตสํสำหรับวิธีการที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ทุกท่านต้องการกัน เปนปัจจุบันนี้เราอาจจะอยากจะเป็นเศรษฐีในทางรัฐก็ได้ก็หมั่นซื้อโรตรีเข้าวันไหนเกิดพลุกถูกรางวัลที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อันนี้ก็พอที่จะสร้างความรวยได้ในทางรัฐหรือมิฉะนั้นเราอาจจะต้องการคุณงามความดีหรือความดีความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งในทางรัฐโดยที่เราไม่ต้องลงมือกระทาความดี อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิบสิบปีหรืร้อยปีก็อาจจะทําได้เพราะวิธีที่เราจะสร้างออความดีให้แก่ตัวเองในทางรัฐนั้นในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากเพราะว่าวิธีการที่เราจะช่วยโอกาสก็ดีหรือเป็นผู้ที่คอยจะต้องการอะไรแบบง่ายๆก็ดีเราสนใจศึกษากันมากปัจจุบันนี้ก็สอนกันมาก ซึ่งต่างจากในสมัยอดีตอดีตนั้นบรรพบุรุษของเราเนี่ยกว่าจะมีคนสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ก็ต้องลำบากแทบเลือดตากระเด็นต้องเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและต้องตายจากโรคนี้ไปเป็นเวลาร้อยร้อยปีจึงมีคนสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้แต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนั้น บางท่านอาจจะมีวิธีการที่ฉเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยหรือบางทีสิ่งที่กระทานั้นอาจจะไม่ใช่ความดีที่บัณฑิตทั้งหลายยกย่องสรรเสริญก็อาจจะทำได้เนี่ยทางรัฐนั้นมีอยู่มากสำหรับทางโลกแต่ในทางธรรมะเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่ ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงพระบรมศาสดาของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์ก่อนจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมด้วยวิธีรักเอาแต่ว่าได้ใช้เวลาแห่งการบำเพ็ญความเพียรเป็นเวลาหกปีเต็มตลรอดระยะเวลาหกปีนี้ต้องค้นคว้าด้วยการปฏิบัติธรรมทุกๆด้าน ในด้านของอัตตะกิละมาถานุโยกจนกระทั่งการบำเพ็ญทุกกรกริยาอย่างอุกฤษโดยเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุผลเท่าที่ต้องการจึงได้มาประพฤติธปฏิบัติในสายกลางที่เป็นมันชฌิมาปฏิปทาเนี่ยจึงได้บรรลุถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ใช้เวลาปฏิบัติธรรมหกปี ยิงอยู่แม้ว่าในสมัยหลังเนี่ยภาษาวกบางท่านไม่ต้องใช้เวลามากเลยในการปฏิบัติธรรมเพียงฟังพระธรรมเทศนาลงกันหนึ่งก็บรุเป็นพระโสดาบันกันเป็นจำนวนร้อยพันพันหรือบางท่านก็บรุเป็นพระอรหันต์ไปเลยในสมัยพุทธกาลมีเช่นนั้นมีอยู่มากด้วยสำหรับผู้ที่บรุมรรคผลโดยรวดเร็วอย่างนี้ใช้เวลาเพียงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ก็ได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วแต่ปัจจุบันนี้เราอาจจะต้องนั่งหลับตากันเป็นเวลาเป็นแรมเดือนแรมปีถ้าคิดเป็นชั่วโมงแล้วก็ตั้งหลายร้อยหลายพันชั่วโมงถึงระนั้นจิตเพียงแต่จะให้สงบชั่วระยะหนึ่งหรือเพียงแต่จะทำกิเลสให้เบาบางก็ยังทำได้ยากเนี่ยที่เป็นดังนี้เพราะอะไรขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาดูให้ละเอียด จริงอยู่แม้ว่าพระพุทธองค์จะจำแนกบุคคลที่จะบรรลุถึงธรรมะนั้นออกไว้เป็นสี่จำพวกด้วยกันจำพวกที่หนึ่งที่เป็นอุคติสันยูจำพวกนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมะได้อย่างรวดเร็วชั่วได้ฟังพระธรรมย่อๆก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วประเภทที่สองคือประเภทวิปจิตรสันยูนั้นต้องอาศัยเวลาแห่งการปฏิบัติสักเล็กน้อย จึงได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติประเภทที่สามคือเนยยะประเภทนี้ต้องใช้เวลานานจึงจะได้บรรลุถึงมรรคผลและประเภทที่สี่คือพวกปะทะประมะประเภทนี้ไม่มีทางที่จะได้บรรลุมรรคผลเลยคือเป็นบุคคลที่พ้นวิสัยของบัณฑิตจะฝึกฝนอบรมได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมเนี่มีอยู่ประเภทหนึง่ง สำหรับ uh,